จิบลคับังจีตวนังอุภาเศษมาพีนุปสังคมีอุปสังคมิวาของถวายศมเป็นอาหารที่ปราณีตที่นี้พออาหารที่ปรปาณีตเวเจษทะก็บริโภค แตนี้ภรรยาก็ดีใจฝ่ายสามีก็บอกว่าแม่อย่าประมาทไปที่เราได้ทําบุญและพระรับแล้วไปไปใช้จ่ายเพราะว่าเราได้ลูกสาวเดี๋ยวพ่อจะต้องไปทํากิจที่จะเอาลูกสาวกลับคืนมานั่นเองท่านก็เดินทางอุบาศกท่านนี้ก็เดินทางไปรับจ้างตัดอ้อยเขาอีกเมืองหนึ่งนะหกเดือนทําด้วยความไม่ได้เจอพระเลย ไม่ได้ทาบุญเลยแต่ก็จิตใจศรัทธาไม่ศรัทธามุ่งมั่นเชื่อมั่นไม่เชื่อในคุณของพระตนาตรัยไม่เชื่อพอครบหกเดือนได้เงินสิบสองหาปนนะก็เดินทางกลับคิดว่าพอแล้วต่อการที่จะดูแล่ทยถอนในระหว่างเดินทางกลับมาใช่ไหมวันนั้นก็เจอพระรูปหนึ่งท่านจะไปที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งไปไหว้พระเจดีย ท่านเห็นไม่เคยเห็นพระไม้ตั้งหกเดือนแล้วพอเห็นครั้งนั้นดีใจมากยิ่งที่บาสกเนี่ยก็ทั้งวิ่งทั้งเดินบอกท่านร อ, อก่อนอยากสะสนทนากับท่านนะึงเดินทางก็ถามท่านไปไหนต่างก็คุยบอกโอจะไปว่าเจ้าโยมจะไปที่วัดนั้นเหมือนกันจะแวดไหวพระเจดีไม่ได้เฝ้าพุทธเจ้ามานานแล้วะจานองอย่างเงี้ยนะเดินไปตามลําดับทีนี้พออยู่ต่อมาก็ มันจะเพลยนแล้วไงอุบาสกกอนึกได้เออท่านเดี๋ยวโยมจะนิมนต์โยมจะถวายอาหารท่านอุบาสกก็เเลีล่วซสายเลยเห็นคนถือห่อข้าวมาก็บอกให้พระท่านยืนคอยรียบวิง่งไปก็ไปขอซื้อหนึ่งกระหาบะนะซึ่งราคาข้าวหนึ่งห่อไม่ถึงนะแต่ความอยากทำบุญเนี่ย ่คนที่นั่นบบเบ็ดเสร็จนี่นี่เราคงจะได้ทราบแน่นอนแล้วนี่ใช่ไหมแค่ก็อ ค, คนมาขอซื้อข้าวลงแค่ก็ไม่ขายสองก็ไม่ขายสามก็ไม่ขายสี่ก็ไม่ขา ย, ขายห้าสิบสองกระหาปันนะก็ต่อรองแค่ก็บอกท่านผมมีแค่นี้ท่านจงขายเราเถอะบุญ น, นั้นเราจะได้ด้วยกัน พอคนนั้นรู้ว่าบุญจะได้เท่ากันยอมขายใช่ไหมสิบสองกหาปันนะได้มาได้ห่อข้าวมาหนึ่งหอ่อสิบสองกหาปันนะซึ่งพอที่จะถ่ายตัวลูกสาวอ่ะสละเลยนี่บูชาแหละบูชาพระธนทรัยนั่นเองพอมาไปเสร็จท่านก็คุกเข่าใส่บรรจงพระก็บอกว่าอุบาสกใส่ครึ่งเดียวก็พอ บอกว่าผมมีศรัทธาจะถวายทั้งหมดก็ใส่เต็มบาทพาระก็นั่งฉันแกก็ตรึกบุญแกสิโอ้โหหกเดือนเนี่ยด้วยความเหนื่อยยากใช่ไหมลองคิดดูปริมาณเม็ดบุญแกสิน้อมถวายแกบุญแกเกิดอ่ะพอฉันเบสเสร็จก็เดินตามพระไปพอจะแยกทางกันเนี่ยพระก็ถาม อิวาโกถามหน่อยเถอะท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยพอกคยเล่าเล่าตั้งแต่สองสามีภรรยาเอาลูกไปถ่ายทําบุญเสร็จเศร็จไปตัดแล้วมาเจอท่านโอ้โหอาหารมื้อนะั้นเนี่ยจุกคอท่านเลยเนะี่ยท่านนนึกในใจว่าถ้าเราไม่สามารถทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพราะอาหารมื้อนี้ได้เนี่ยโอ้โหเสียหายเนะี่ย ท่านเลยบอกขอแยกทางไม่ไปวัดแล้วท่านบอกเออเชิญท่านไปเลอวอาตมามีธุระเสแล้วท่านก็แยกทางเข้าในทําท่านปูอาสนะท่านบอกว่าอาหารในท้องถ้าไม่สามารถเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่มรรคผลในปัจจุบันชาติก็จะนั่งตายเป็นดวงเนี้ยนั่งตายเป็นดวงเนี้ยนะเนี่ยเจ็ดวัน ให้เจดวั น, น, น, ว เ, น เ, เนี่ยตรงเนี้ยที่ใช้คำว่าเนื้อและเลือดเนี่ยคาว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ามรรคผลไม่เกิดขึ้นเนี่ยจกไม่ลุกก็จะเอาอาหารนั่นแหละเป็นปัจจัยในการแทงตลอดสัจจะแล้วท่านก็ได้พอได้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย ท่านก็พิจารณาโอ้อาหารหมดพอดีเนี่ยท่านก็มาพิจารณาว่าเออเนี่ยอ๋อท่านท่านต้องปรินิพานวันนี้นะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แตกฉานปฏิสัมพิทายาณท่านก็เลยไปในวัดเลยวัดใหญ่ไปถึงท่านก็ตีละครังพระก็มาประชุมกันเต็มเป็นเลือนพันธุในยุคลังกานี่เองเนี่ยพระเหือเรือนพันนะเขาก็ถามพระเทเรศก็ถามใคร ใครมาตีละครั้งท่านก็กระโยงพนมมือไหว้สงศ์ท่านก็บอกกับผมเองท่านก็บอกว่าท่านตีตีเพราะเหตุใดท่านก็เล่าเรื่องเรื่องอุบาสกเรื่องท่านได้ได้ได้เข้าถึงแล้วท่านบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดสงสัยในมรรคผลให้ท่านทั้งหลายถามเขาเยอะได้ พระที่นั่นเงียบกันหมดเลยท่านบอกว่าอย่างต่ําพระโสดาบันกันหมดเลยนี่รังกายุคเมื่อพันกว่าปีรังกายแล้วเนี่ยพอเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานเรือนยอดมาเลยไหมเบ็ดเสร็จท่านก็นอนบริณีพานนักเข้าพ ร, พระเถระก็เอ๊นี่ท่านคงมีเลสในใดๆหรือเปล่าเนี่ยถึงมาบริณีพานแปลกอย่างนี้มากก็ ให้คนไปเชิญพระราชาเพราะไม่สามารถที่จะยกศพท่นได้พระราชาก็ยกไม่ได้จะยกขึ้นสู่เรือนยอดที่ท่านอธิฐานไว้ก่อนบริณิพานเมื่เสร็จก็เอพระราชาก็ไม่รู้ก็ถามพระเถเราว่าท่านเล่าอะไรก่อนที่จะบริณิพานก็เลยเล่าเรื่องอุบาสกพระราชาก็เลยบอกให้ตามหาอุบาสกหน่อยสิ ท่านต้องการอนุเคราะห์อุบาสกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบุญส่งผลภายในเจ็ดวันเนี่ยนี่ไงทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมตามมาไปใส่อุบาสกมากราบเท้าจำได้วุพระเถระล้องให้มือแตะที่เท้าศพของพระเทระก็ลอยลอยเข้าเรือนยอดแล้วก็เดินเข้าสู่ประชัยที่ว่าลอยเข้าสู่ที่ประชุมเพลิงไฟลุกเลยอุบาสกนี้ ต่อมาก็คือเป็นอํามาตะของพระเจ้าแผ่นดินมีลังกาถูกแต่งตั้งวันนั้นเลยนี่ไงนี่มีผลมากมีอณิสงมากลักษณะอย่างเพราะว่าอาหารเนี่ยอาหารที่ตกถึงท้องเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่มากผลเหมือนอะไรเหมือนกับที่ว่านางนางสุชาดาเอาอาหารถวายพระเจ้าเล่าอาหารมื้อนั้นเป็นปัจจัยแก่แก่การบรรลุนุต สัมมาสัมปวิยาณแล้วก็นายจุนทะกรรมบรรบุตรถวายอาหารแล้วทําให้พระาศาสดาได้อนุปาธาปรินิพานเห็นไหมการถวายอาหารแล้วทําให้ได้ให้พระาศาสดาได้สะอุปาทิเสสนิพานครั้งแรกกับถวายอาหารแล้วทําให้พระาศาสดาได้อนุปาธาปรินิพานมีผลเสมอกันทําไมเสมอกัรหนึ่งได้ปรินิพานทั้งคู่ สองจากอาหารมื้อนั้นเนี่ยเป็นฐานให้พระาศาสดานั้นอยู่ในสมาบัตรสองล้านสี่แสนโกสมาบัตรอา น, นิสงส์ก็มากฉะนั้นเมื่อนางนางสุชาดาจุนท่ากรรมระบุเนี่ยคิดถึงทานของตนเองแล้วยึงผ่องใสล่าเลือมากเพราะทำให้พระาศาสดาได้ปรินิพานได้กิเลสนิพานกับได้ขันธ์นิพาน กิเลสนิพพานคือครั้งแรกขันธ น, นิพพานคือครั้งสุดท้ายเพราะอนุปาทานปริพญานนั้นน่ะเป็นเป้าหมายที่พระาศาสดาทรงหวังไว้ตั้งแต่สร้างบารมีตอนนี้พระาศาสดาได้แล้วพระาศาสดาไม่ใช่หวังสัพรพัยุติยานไม่ใช่หวังอรหัตมรักษอรหัตผลไม่ใช่หวังบุญบารมีไม่ใช่หวังความเป็นอาจารย์ไม่ใช่หวังความเป็นใหญ่แต่จุดที่พระาศาสดามุ่งหวังสูงสุดคือ อนุปาธาปินิพาน์คือการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ท่านมีมาหากรุณาที่คุณอย่างใหญ่หลวงว่าคนเช่นเราเมื่อได้นิพพานแล้วจะทำให้คนอื่นนิพพานด้วยเราพ้นทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราข้ามพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยท่านมองว่าสังสารวัฏเนี่ยมันมีภัยมากท่านเลยตั้งอัตยาศัยแต่เป้าหมายสูงสุดของท่านคือ อนุปาธาปริญิพานท่านไม่ต้องการเป็นผู้เจ้าผู้อยู่ในสมาบัตินี่สเสวยผลไม่ใช่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระศาสด า, าว่า น, นี่ไงคนที่หวังและปรารถนาต่อโลกต่อสัตว์โลกจริงๆต่อพวกเราจริงๆเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถามว่าคนนี้ลำบากเพื่อเราคนนั้นทนทุกข์เพื่อเราเนี่ยคนที่ลำบากเพื่อเราจริงๆคือพระศาสด า, ศา ไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราแล้วลำบากให้กับเราเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เราต่างหากที่รักพระพุทธเจ้าน้อยใช่ไหมถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเท่ากับผ้าเนลเราก็เป็นผ้าเนลถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเท่ากับภาษาริบุตรรักเราก็เป็นภาษาลิบุตรแต่พระเอิญนี่เรารักพระเจ้าได้แค่ปุถุชนรักไงเราก็ได้แค่ความเป็นปุถุชนเนี่ยคําตอบมันอยู่ตรงเนี้ยเพรอจะมองเห็นไหม แย่านั้นตอนนี้เราต้องเพิ่มไหมศรัทธาในพระเจ้าไหเพราะศรัทธาเพิ่มวิทยาจะพลอยเพิ่มไปด้วยเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้นมนัสิการได้เจริญกุศลกันเพื่อในการศรึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานะเราได้ดูในเรื่องของทาน ในเรื่องของศีลในเรื่องของนะตอนนี้ก็ศึกษาในเรื่องของชั้นของกุศลศีลกันนี้โดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อศึกษาแล้วนเนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นเห็นมุมของการที่เราท่านทั้งหลายมารักษาในชั้นของกุศลศีลถ้ามาพูดถึงตรงนี้แล้วก็คือว่าศีล ตัวคุณเสละศีลเนี่ยนะถ้ามองมองมองอย่างชนิดที่ว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์ของชั้นของศีลที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศีลสำคัญมากๆเลยแต่ก่อนเราอาจจะมองเห็นว่าเราจะรีบเข้าห้องปฏิบัติเลยเนี่ยโดยไม่มีชั้นของความรู้ในเรื่องของ ทานศีลเลยเนี่ยเราเริ่มจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะว่าในชั้นของศีลเนี่ยความเข้าใจของเราท่านทั้งหลายน่าจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็มาทำทำความเข้าใจใหม่แล้วเอออะไรคือลักษณะของศีลรู้ไหมอะไรคือลักษณะของศีลศีลมีอะไรเป็นลักษณะ อ่ะอัดของสีเนี่ยคืออะไรสีเนี่ยท่านใช้คาว่าสีรณะไงอัดถะของสีก็คือสีรณะแล้วสีรณะคืออะไรเราเรียนนดอยังสีระณะก็ด้แก่ความตั้งไว้ด้วยดีความตั้งไว้ด้วยดีในที่นั้นท่านเรียกว่าสมาทานัง ได้แก่ความที่กรรมทั้งหลายมีเจตนากรรมเป็นต้นเนี่ยเนอะกรรมทั้งหลายคือกายกรรมวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีเอากายกรรมวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยไหมมาจะคําว่าศีลนะคือมาจะคําว่าสมาทานังคือว่าตั้งไว้ด้วยดี คำว่กรรมทั้งหลายมีกายกรรมตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีแปลว่ากายกรรมวจีกรรมไม่กระจัดกระจายไม่กระจัดกระจายไปเพราะอะไรด้วยการความเป็นผู้มีศีนนั่นแหละไม่กระจัดกระจายก็คือไม่สซ่านไปใช่ไหมไม่สซ่านไปด้วยกายทุจริตทั้งหลายก็เพราะความเป็นผู้ที่มีศีนนั่นแหละฉะนั้นศีลนะโดยความหมายถ้าถามว่าลักษณะของศีลในมุมแรกเนี่ย เรียกว่าเป็นสีระนาผู้อธว่าหลายสมาทานังวะงั้นเพราะว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมไม่กระจัดกระจายวัจีกรรมไม่กระจัดกระจายนั่นแหละความเป็นผู้มีศีลกายวาจาเลยไม่กระจัดกระจายใช่ไหมคนที่กายกระจัดกระจายก็แปลว่าทุศีลไงทางกายไงคนวาจาที่กระจัดกระจายก็คือทางวจีกรรมร่วงละเมิดศีลไงนี่ก็เรียกกายกรรมวัจีกรรมกระจัดกระจายมันมาจากจิตที่ เต็มไปด้วยความโลภ ก, กดหลงนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ไม่มีศีละนะความหมายแรกเลยไม่มีการตั้งไว้ด้วยดีจากคําว่าสมาทา น, นังแล้วก็บอกไว้ไปสมาทานศีลใช่ไหมสมาทานศีลนทถศีลของสมณีนต้องสมาทานต่อหน้าอาจารย์ต่อหน้าอุชานนะแต่ทศศีลของพวกเราเนี่ยต่อนหน้าก็ได้รับหลังได้ไหม ได้วันละร้อยรอบได้ไหมได้แต่นี่แต่อย่าไปอธิษฐานขนาดนั้นแสดงว่าขาดบ่อยเลยตัง้งยังไม่ให้ทาอย่างนี้แสดงว่าศีลขาดบ่อยเลยเนะี่ยบางทีเราก็แต่ก่อนมาก็มโมทนานียโยมสมาทานศีลได้ตลอดเลยบอกมันขาดตลอดที่ท่านเลยต้องอย่างนี้ดีไหมแต่ก็ยังดีนะ แต่บางคนเล่นหัวหมอเนี่ยแก้งขาดแล้วสมาทานใหม่แล้วขาดอยู่เรื่อยแล้วก็สมาทานใหม่อย่างนี้นดีไหมรักษาศีลเลยกลายเป็นว่าการขาดเป็นเรื่องปกติไปคือไม่กระจัดกระจายเขาย้าใจยังว่าฆ่าสัตว์ถือว่ากระจัดกระจายไหมรักษาประพฤติปิดในกรมพูดเทศส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอ้อองค์ต่างๆเหล่านี้เราพอจะมองเห็นชัดเจนหมดแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากระจัดกระจายแล้ว นี่แปลว่าสร้านไปแล้วมาจากคาว่ากายกรรมมาทีนิสมาทะหันติเอเตนาติสีหลังเนี่ยกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นตั้งไว้ด้วยดีด้วยธรรมนั้นด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าเป็นเครื่องตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายทั้งหลายได้ธรรมนั้นคือด้วยเจตนาที่เป็นไปกกุศลนั้นเจตนาที่เป็นไปกุกุศลที่เป็นเหตุแห่งการรักษาสีนี่แหละเป็นเหตุแห่งการสมาทานเป็นต้นนี่แหละ ความไม่โลภ ค, ความไม่โกรธและก็ปัญญาทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไปเพื่อควบคุมดูแลกายกรรมวจีกรรมไม่ตั้งไว้ด้วยดีนั่นแหละแล้วก็ความงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทั้งหลายสภาวธรรมที่เป็นตัวงดเว้นที่เป็นวิรติอะเป็นสภาพที่งดเว้นจากบาปและทุจริตทั้งหลายทางกายและทางวาจานั่นแหละแล้วก็การงดเว้นจากอาชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายอย่างนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่ากรรมทั้งหลาย มีกายกรรมเป็นต้นตั้งไว้ด้วยดีเพราะความเป็นผู้มีศีลเลยจึงกลายเป็นว่ามาจากคำว่าสมาทานนั่แล้วก็สังเกตดูที่เนะ น, นี่ยตอนเนี้ยเราใส่ชุดขาวไว้ใจได้ไหมว่ากายกรรมจะตั้งไว้ด้วยดีว่าจีกรรมจะตั้งไว้ด้วยดีเสมอไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าถ้าศีละนะตัวนี้เกิดสิพอลักษณะตรงนี้เราก็เริ่มชัดขึ้น่โอ้ สีระนาธองนี้จริงๆท่านขับเน้นไปที่ตัวเจตนาคือตัวจัดแจงจงใจที่จะคิดไม่ล่วงละเมิดทั้งหลายที่เป็นไปกับกุศลใช่ไหมพอเจตนาที่เกิดขึ้นนะั้นเนี่ยเขาก็ทำํำทำทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเขาคือผัสสะเวทนาเป็นต้นสัญญาเป็นต้นแล้วก็วิญญาณขันเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับเขาให้ตั้งไว้ด้ดีใช่ไหมให้เป็นไปกับความไม่ว่วภความไม่โกรธแล้วก็เป็น ปัญญาฉันจะไปพิจารณากรรมและผลของกรรมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมก็จะตั้งไว้ด้วยดีด้วยการที่ไม่ทุศีลฉันคําว่าตั้งไว้ด้วยดีไม่ใช่นั่งทื่อๆอยู่เงี้ยนะไม่ยอมเดินเลยเนี้ยกลัวจะผิดศีลทางกายได้ไหมไม่ใช่ก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าในขณะที่ใช้ชีวิตปกติเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการเดินหรือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิด ความคิดที่เป็นบาปก็เอาออกซะเอาความคิดที่เป็นบุญเอาความดีใส่เข้าไปเพื่อดูแลกายดูแลวาจาไม่ให้กระจัดกระจายให้ตั้งไว้ด้ดตีตั้งไว้วไหนๆตั้งไว้โดยการไม่ฆ่าไม่ลักไม่บูรพิบในกามไงตั้งไว้โดยฐานะที่ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจือไงนี่เขาเรียกว่าตั้งไว้ด้ดีตอนนี้กุศลศีลเดินหรือยังชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหรือยังนี่ไงปฏิบัติเนี่ยพระกําลังสอนปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติบูชาไหมเนี่ยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจช่ไหมบูชาพระราตนตรยัยเราว่าพระสบอกเราเราอมิสบูชาเราก็ทําให้ข้าวเป็นทานให้แล้วถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมให้น้ํอาอำให้ที่อยู่ให้เครื่องนุมหรมให้ยารักษาโรคให้นั่นน่ะน้อมเป็นบูชาได้แล้วเนี่ยอมิสบูชาอันนั้นเป็นวัตถุทาน ทีนี้เจตนาศรัทธาที่นำเจตนาทั้งหลายที่น้อมบูชาจิตที่น้อมบูชาเป็นอมิสบูชาหรือธรรมบูชาเฮ้เริ่มมองเห็นแล้วไหมพระศาสดาบอกว่าอมิสบูชาเนี่ยอ่าาอมิสสบูชาเนี่ยเกื้อหนุนเป็นปัจจัยแก่ธรรมบูชาแต่ถ้ามีแค่ออมิสบูชาในประเสริฐไหม ไม่ประเสริฐเอาพระเจ้าโศกเนี่ยทําอามิสบูชาเราเห็นเยอะไหมนั่นแหละแปดหมืนสี่พันจะถูกเสาเสาที่ปกากน่ะเสาโศกอ่ะแปดหมืนสี่พันเสาเน้น่เหลืออยู่ไม่กี่เสาทุกวันเนี่ยดูที่เนี่ยอามิสบูชานะี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเราจะได้เห็นว่าถ้าหากว่าอามิสบูชาไม่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติบูบชาแล้ว เขาจึงเรียกว่าบูชานั้นไม่ประเสริฐอาจจะประเสริฐได้ยังไงใช่ไหมมีแค่แต่อามิตเนี่ยแต่ใจน้อมบูชาไม่เกิดบุญไม่เกิดจากการบูชานั้นนี่เป็นอย่างนี้เริ่มมองเห็นยังฉะนั้นการที่เราปฏิบัติในทํากายกรรมวจีกรรมนั้นให้ตั้งไว้ด้ดีเนี่ยไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปเพราะความทุศีนเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าศี่ระข้อแรกคือสมานทานังเกิดแล้ว แล้วลองคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าตัวกุศลศีลมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเม็ดของกุศลศีลนี่มากขึ้ น, ม า, น, ม, ม, ม, านมากขึ้นเนี่ยเอางี้ใครจะสามารถสร้างสารานี้ได้ด้วยการใช้หินแค่เม็ดเดียวเนี่ยปูพื้นที่แล้วสร้างขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยถนนหนึ่งเม็ดขอภายแค่ปูนเน่ยนะ ปูนก็หินอย่างละกรสอบเนี่ยเราจะสามารถทําถนนจากที่ปากช่องจากโคราชเนี่ยไปถึงกรุงเทพได้ไหมต้องใช้ปริมาณเม็ดหินเม็ดปูนเยอะไหมติดต่อกันเป็นแถวด้วยไหมถึงสามารถถึงกรุงเทพได้ไม้ฉันใดฉะนั้นปริมาณกุศลศีลที่รักษามาเนี่ยเม็ดของกุศลศีลเนี่ยมันหนาแ น, น่นไหมที่ผ่านมาถ้ามันหนาแ น, น่นป่านนี้สมาธิปัญญามเดินพวดไปแล้ว เพราะไม่สามารถจะเป็นฐานรองรับหรือไม่สามารถจะทรงคุณธรรมเบื้องสูงให้เกิดได้เพราะปริมาณกุศลศีลแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเมื่อพื้นไม่แข็งแรงสร้างตึกได้ไหมสร้างเจดีได้ไหมซุดหมดตอนนี้จะไปเดินสมถาวิปัสนาระดับสูงและตัวกุศลศีลเป็นยังไงตอนเนี้ยกระพองกระแพงใช่ไหมเขาบอกว่าไง ศรัทธาในตถาคตาโพธิศรัทธาเป็นต้นเป็นประทัดฐานของปาติโมกสังวรศีลจะมีศรัทธาในพระเจ้าไหมศรัทธาในพระธรรมไหมเชื่อมั่นไหมถ้าเชื่อมั่นในตัวกุศลศีลจึงจะแข็งแรงเพราะเชื่อว่าพระศ า, าสดาเนี่ยให้อริยทรัพย์เราเราก็เก็บอริยทรัพย์ได้เพราะศรัทธาเหมือนมือใช่ไหมศรัทธาเหมือนเมล็ดพืช แล้วตอนนี้กังดูมือดีมีมือไหมไม่ค่อยไว้ใจเ่มือไม่รู้มือโผ่มาบ้างเป่าเนี่ยศรัทธาเหมือนมือหมศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชใช่ไหมแล้วปลูกศรัทธาไว้ในนาคือพระรัตนตรัยเนี่ยกี่เม็ดแล้วปลูกไว้กี่เม็ด แล้วปลูกแล้วได้ลดน้ําฝนดินน่าเป็นห่วงไหมศรัทธาของชาวพุทธเนี่ยคอนแคนไหมคอนแคนตรงนี้เริ่มจะโตแล้วใช่ไหมศรัทธาเนี่ยนะปลูกแล้วก็ดูแลเพราะจริงๆถ้าปลูกมากศรัทธาจะมากไหมตอนนี้เราปลูกไปกี่เม็ดปลูกนิดเดียวเองไม้ใชจะเอาผลแน่นเลิศเลยคิดดูใช่ไหมตอนนี้ถ้าปลูกมากๆให้สังเกตดูตอนที่ว่าเขาออกจากตัณหาได้ ออกจากความติดข้องได้เป็นด้วยใช่ไหมเพราะว่ารักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักสิ่งอื่นเนี่ยตรงนี้นะภาษาไอ้พระเจ้าชาติศัตรูที่เข้าไปพระพระเจ้าโศกเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักภรรยารักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักภรรยาแล้วเราล่ะรักพระพุทธเจ้ามากกว่าลู ก, ลกามากกกั้ยโอพโหแล้วบาดใจกัน อาไปเทียบกับเอาไปเทียบกับ เ, เบหมื่ดวงแก้วมนันีเลยเนี่ยว่าไงดีเนี่ยพอไปเทียบกับลูกแล้วเหมื่คิดถึงโลกมากกวุฒิเจ้าอันนี้จะเริ่มคิดหนักแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เริ่มเห็นใช่ไหมงั้นถ้าหากเขาบอกว่าเรายังไม่คู่ควรจะตัดสู้เราจะไม่สงสัยเลยใช่ไหมเพราะเราจะไม่สงสัยเลยเมื่อเราไปเทียบศรัทธาของเราระหว่างเราลักลูกกับลักวุฒิเจ้าเนี่ย นียแต่ก่อนเราสงสัยมาตั้งนานทำไมเราไม่บรรลุตอนนี้ก็เริ่มว่าโอ้ชัดแล้วตต่เนี้ยแม้ถ้าบรรลุบนฐานที่ไม่ได้มีศรัทธามากๆนี้ประหลาดไหมเอาไหมเอาบรรลุแบบเนี้ยเอามาก็ไม่เอาหรอกมันบรรลุอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมันบรรลุบนฐานที่มันไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงมันเป็นศรัทธาปลอมฮะมันเป็นศรัทธาที่ยังเป็นปกติศรัทธาแล้วมันบรรลุอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหม ถ้าศรัทธาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนไอ้ทังนี้ก็ทั้งศรัทธาจะเป็นปัจจัยแก่ปาติโมกสังวอศีลปาตีบุคคลเนี่ยพราเราเป็นปาตียังไงปาติป า, ป า, ปาิโมคขะขะสังวรแปลว่าแปลว่าพ้นโมกขะเนี่แปลว่าพ้นใช่ไหมโมกขะเนี่แปลว่าพ้นพ้นจากอบายภูมิพ้นจากสังสารวัฏฉะนั้นพระเจ้าก็เลยประทานศีลห้ากุศลกโมลบทสิบไงแล้วก็ศีลแปดศีลเก้าศีลสิบ ให้กับค า, ารวาทั้งหลายเขาเรียกสุดตันต์ศีลแต่ของสมณเนะของภิกษุภิกษุณีนี่เขาเรียกว่าวิเ น, นัยศีลมันก็ละอย่างกันนะศีลที่มาในวินยัยวิโด ก, กัศีลที่มาในพระสุดตันตวิโด ก, ก็แยกให้ออกเราจะได้รู้โอ้โนี่ไงทําไมค า, ารวาทเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็ยังไหวสมณเณที่บวชแม้ในวันนั้นเห็นไหมเริ่มชัดแล้วเพราะว่าวิเนัยต่างกันสุดตันต์ศีลกับวิเ น, นัยยศีล ศีลที่มาในพระวินัยกับศีลที่มาในพระสุตตันตปิฎกนี่เนะึ่ยอันนี้เราก็เริ่มมองเห็นอ๋ออันนี้เป็นเขาเป็นอุดมมเพศคารว่าถึงแม้เป็นภรรยาก็ยังเป็นฮีณเพศเนี่ยอยู่ในเพศต่ําอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ก็เริ่มมองเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลเนอะความเป็นผู้ทุศีลเนี่ยมีการนําสิ่งที่ไม่ ใช่ประโยชน์นำทุกมาให้ทั้งในปัจจุบันและชาติต่อไปกรรมทั้งหลายเช่นนี้ชื่อว่าความตั้งไว้ดีหรือไม่ดีอตั้งไว้ดีหรือไม่ดีเช่นกายกรรมที่ทุศีนวจีกรรมที่ทุศีนเนี่ยตั้งไว้ดีไหมเนี่ยถาว่าอย่างนี้นำประโยชน์มาให้ไหมไม่ได้ทิฏฐารมไม่กระทบประโยชน์ประโยชน์ในปนัจจุบันได้ไหมเนี่ยประโยชน์ในภบหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งขัดหมดเลยและนำทุกมาให้ไหม นำทุกมาให้ในไหนทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ในการต่อไปด้วยกรรมทั้งหลายเช่นนี้เรียกว่าตั้งไว้ไม่ดีเพราะเป็นความไม่ตั้งอยู่โดยชอบอันนี้ชื่อว่ากระจายกระจายไหมเพราสร้านไปแล้วกระจัดกระจายด้วยสร้านไปด้วยกระทุ่ศีลทุกวันไม่สร้นได้งไงใช่ไหมทุ่ตลอดทุ่ศีลตลอดบางคนยังแย้งนะคุณท่านไม่รู้เรอค้าขายมันต้องโกหก ยอมไม่รวยมาได้เพราะโกหกดเลยะฉะนั้นข้อนี้ยกไว้ก่อนมันเป็นคารว่าต้องโกหกถ้าคนเข้าใจเรื่องสีนก็จะโกหกไหมไม่โ ก, กหกหรอกถ้าเขาไปถามราคาเท่าไหร่เขาจะตอบเขาบ่าไงนะไม่ตอบเขาว่าไงเราซื้อมา20เ้าจะขาย50บาทเนะี่ยสมมติเขาจะตอบเขาว่าไง อ๋อค้าขายก็มีนึกว่าเธอไม่ยุ่งอะไรเนี่ยจะซื้อหรือจะขายเธอจะขายก็ไปตั้งร้านค้าอย่ามายุ่งนี้ได้ไหมพวกมีศีลจะไม่พูดคํานี้เนี่ยถ้าพูดคำนี้แปลว่าอะไรขายได้ไหมขายไม่ได้ขายไม่ได้นอกจากขายไม่ได้ได้ได้ศัตรูด้วยเนี่ยได้ศัตรูด้วยฉะนั้นก็ฉลาดในการที่จะใช้โวหันนะกำบอกการค้าขายก็ต้องมีกําไรทั้งนั้นแหละคุณก็ถามว่าเท่าไรบอกได้ไหมโอ้ไม่ควรจะบอก ถ้าบอกเราบอกปุ๊บมันก็กระทบร้านอื่นบอกปุ๊บ ก, กระทบร้านอื่นฉะนั้นการค้าขายก็เป็นกันแบบนี้คุณก็ลองพิจารณาดูนะว่าพวาร้านของเราเนี่ยเราก็พยายามนำสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไตามสติ ก, กำลังของเราแต่ไม่ใช่ยะถาสติยถาพลังที่เราสวดกันอ่ะไอ้นี่อ่อนเอมากนะสวดแบบนี้อะไรนะแปลว่าไงนยะจะทำในใจอยู่ จะปฏปบาติตามอยู่ซึ่งคำสอนของพระพภ้ธเจ้านั้นตามสติกำลังโอ้หที่จริงท่านขับเน้นว่าสตินั้นต้องให้เป็นสติพละสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือว่าศรัทธาเป็นต้นเนี่ยวิริยะเป็นต้นเนี่ยกล่าวสติน่ชื่อว่ากล่าวอินทรีย์ทั้งหมดด้วยให้เราไปสวดเอื้ออื้เอเลยกัน อ, อ, อ, อย่างนี้มันถึงว่าอ้าวจะทาในใจอยู่จกปฏิบัติตามอยู่เนี่ย ซึ่งคำสั่งสอนของพระพู้มีพระภาคเจ้านะตามสติกำลังวันนี้อ่อนแอนอนดีกว่าส่วนพัะเจ้าเนี่ยก็ไม่พัฒนาหรือก็ขับเน้นเนี่ยข้าเน้นนะผู้ภาษาต่อไปไม่เอาอย่างนี้นะคือจะพัฒนาถ้ายังไม่เป็นพระ น, นี่มันจะออกจากมุทธสธติได้ไหมออกจากการหลงลืมสติไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าแค่บอกไปเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ใช่แล้ว เราต้องเข้าใจภาษาที่ท่านให้เราใช่ไหมขับเน้นอัตถะให้ชัดแล้วจะได้เป้าหมายคือการขัดเกลวเป้าหมายก็คือการพ้นทุกข์ถ้าขืนสวดแค่นี้เข้าใจแค่นี้พ้นทุกข์ไม่ได้นี่ยใช่ไหมพ้นทุกข์ไม่ได้นี่ถ้าอย่างนั้นก็สวดไปรับโทรศัพท์ไปเ <c oughs> ดิมมากเป็นงั้นไหมบางคนจะสวดมวนก็เปิดโทรศัพท์ว า, าง ใ, ใกล้ จะมีใครสั่งของเข้ามาตัวนมั น, นมันเป็นยิ่งใหญ่มากเลยเรื่องนี้นะสําคัญมากจะเป้าพระเจ้าก็จะเป้ากามคุณก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าถู ก, กามก็จะเอาเป็นแบบนี้ไหมอ๋อไม่เป็นแล้วเนาะกลับไปนี่ไม่ทําอย่างเนี้นะเนี่ยถ้าบอกจะสวดมนั้ น, นลูกจะมาลอบกวนนะบอกอยา่าเนี่ยใช่ไหมบอกอยากอย่ามารบกวนวันตรงนี้ก็ก็ตั้งหลักนะ